ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติในการเจริญจิตภาวนาคือการอบรมจิตของตนให้สงบปราธจากอากุศลวิตกนิวรณ์ทั้งห้าประการเพื่อให้จิตเป็นอิสระ ในการผ่องแผ้วด้วยความสงบเพราะจิตที่สงบและผ่องแผ้วแล้วยอมรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าสภาพของจิตที่ยังถูกปกครองปกคมุมด้วยนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งก็ตามหรืออากุศรวิตกมีกามวิตก พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเข้าครอบงำจิตใจของบุคคลใดที่ยังไม่สามารถจะมีปัญญากำจัดและผ่านไปได้ก็ชื่อว่าจิตนั้นยังอยู่ในพัฒภาวะที่เศร้าหมองยังไม่สามารถที่จิตเกิดความผ่องแพ้วเห็นอัตเห็นตามให้รู้ ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นการที่ได้มีศรัทธาภาษาธะมันมาไหว้พระสวดมนต์ฝึกอบรมจิตของตนมากบ้างน้อยบ้างเก็บกุศลธรรมไว้ในจิตใจของตนเติมขึ้นไว่บ่อยๆทุกๆวันก็จะเพิ่มพูนส่วนกุศลต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อความสงบความเจริญทางจิตใจได้เป็นอย่างดียิ่งสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ตัดตินพระไทยออกพนวดโดยกระเด็นออกจากกรุงกบินภัต ท, ที่นายช น, นะพาไปยังริมแม่น้ำฝั่งอโนมา แล้วอธิษฐานเพศเป็นบรประชิตพระองค์ไม่ได้เป็นพระารานหรือยังไม่ได้เป็นพระศ า, าสดาทีเดียวการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้นามว่าพระศาสดาของเราทั้งหลายนั้นอยู่ในสองวาระเดยกันหรือสองตอนเดียกันจึงได้เป็นพระพุเทธเจ้าตอนแรก ที่ทรงอธิษฐานการบาเพ็ญเป็นนักบวชบรรพชิตเรียกว่าออกพนวดนั้นจนถึงตอนที่จะได้เห็นธรรมได้แก่โสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลแต่ยังไม่ถึงขั้นนี้เกือบจะถึงธรรมอันนี้เป็นช่วงหนึ่งกำลังบาเพ็ญโพธิญาณเพื่อให้รู้มรรคผลดังประสงค์ กันเมื่อพระองค์ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่ละทิ้งกามาทุ ข, ขันลิกานโยกอัตกิลามาถานโยกได้แล้วได้ทรงรำลึกถึงเมื่อครั้งที่แรกนาฝันพระองค์ตัดพระองค์ประทับอยู่ใต้ลวมโพรพลกนั่งสมาธิอยู่ตามพระองค์เองในฐานะเป็นพระราชกุมารได้กานหมดลมหายใจเขาออก โดยธรรมชาติจนจิตสงบขึ้นเป็นอนาปานทัศติแม่พระอาทิตย์ล่วงบ่ายลงไปแล้วแต่เงาโพพึกในที่นั้นหาเอ็นไปตามตะวันไม่ยังส่งคุมพระราชกุมารปกอยู่เป็นประดุจฉัดอันวิเศษยังพระสาสดาให้อย่างพระกุมารให้ประทับอยู่ที่นั้นจนเป็นที่ ป, ปลาื้มและปิติยินดีและเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ของพี่เลี้ยงตลอดจนที่อยู่ในที่นั้นชนได้รีบไปทูลแก่พระเจ้าทุโฑธนะที่กับกําลังทําพิธีแลกนาฝัานนั้นให้มาดูความอัศจรรย์ของพระราชกุมารครั้นเมื่อพระเจ้าทุโฑธนะพุทธบิดาได้มาถึงเห็นอัศจรรย์แล้วนั้น ด้วยความเลื่อมใสยอย่างสูงสุดได้ลงกราบพระราโชมานั้นก็แสดงเห็นว่าบิดากราบบุกเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นในประวัติหรือในโลกทังนี้เป็นต้นพุทเดชพระสัมมาทิส ม, มุขเจ้าเมื่อเห็นว่าทุกกรกิริยาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ทางปฏิบัติแล้วจึงหวนล้ำลึกถึงควาสมสงบที่เกิดจากใต้จนเพลเพิกนั้น จึงเจริญอนาปาทสตติจนได้ฌานตามลำดับดังในกามาและเป็นกุศลธรรมอันประเสริฐที่พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นหนทางที่แน่แท้จะให้เกิดความสว่างในจิตในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมคือตัดอาชวะกิเลสท้งหมดกามาสวะ ภาวาทะวะอวิชชาทะวะมารู้ถึงเึ่งความเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทียานในวันเพ็นวิสาขามาศดังที่เราปรากฏและทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้จึงเรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระผู้ทเที่โดยสมบูรณ แต่ยังไม่เบิกบานต่อเมื่อได้เผยแร่พระรธรรมที่พระองค์ได้ตรัรู้แล้วเช่นทดัดเดชไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าด้วยธรรมมาจากกะปะวัตถุตจนพระอัญญาโกทยะได้ดวงตาเหตุธรรมแล้วขอขอบวดในพระศาสนาเป็นพระเรียสง์องค์แรกในพระพุทธศาสนานี้ ตอนนี้เรียกว่าพระองค์เบิกบานเต็มที่แล้วคือสมบูรณ์ทั้งตัทรู้ทั้งประกาศพระศาสนามีสาวกปรากฏขึ้นดังนี้เป็นตน้นการน้อนมรลึกถึงความที่พระองค์ได้ทรงบาเพ็ญมาแล้วซึ่งจะเป็นเหตุให้รำลึกถึงเป็นพุทธานุสติระ ล, ลึกถึงความเป็นไปของพระองค์ ทำให้จิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานหรือมีปิติมีความนินดีผู้เจริญสมาธิสมาธากรรมฐานที่ภาวนาว่าพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์นั้นควรจะน้อมระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ในจิตใจของตนให้มัน่นคงอีกประการหนึ่งบุคคลผู้จะเจริญสมาธิดังในกล่าวมาแล้วนั้น จะต้องมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องแน่วแน่หรือเป็นฐานที่มั่นคงของจิตอารมณ์ที่จะเป็นฐานที่มั่นคงของจิตที่เราทำกันเป็นพื้นก็คือพุทโธนำเอาคำว่าพุทโธมาเป็นอารมณ์ของจิตคือเป็นเป้าหมายเป็นที่ตั้งของจิต คือให้จิตระลึกอยู่แต่พุโทโธไว้อย่างเป็นประจำและหนักแน่นเรียกว่าพุโทโธเป็นหัวใจของเราที่มั่นคงจะไม่โอนเอนเป็นไปทางอื่นในขณะคราใดกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามที่ตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบด้วยพุโทโธแล้ว พึงมีสติให้ตั้งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาประการผู้ที่บำเพ็ญภาวนาพุโทโธด้วยความมั่นใจในตนเป็นอย่างยิ่งย่อมเข้าถึงความสงบได้ง่ายเพราะปลดปล่อยอุปท า, านและความเป็นมาต่างๆอื่นๆของอารมณ์ให้เบาบางและหมดลงไป ที่เราทำอะไรกันยังไม่ถึงก็เพราะว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตยังไม่แน่วแน่อยู่เพียงพอถ้าเรามีความแน่วแน่อยู่เพียงพอว่าเรามีพุโทโธเป็นหลักมีพุโทโธเป็นที่มั่นใจมีพุโทโธเป็นที่พึ่งในการภาวนาเหมือนกับว่าทหารออกไปในสนามรบเรามีแม่ทัพ ของเราเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงทหารที่ออกไปรบก็จะมีความกล้าหาญไม่ยำเกรงศัตรูชั้นใดกุลบุตรผู้ที่จะภาวนามีพุโทโธเป็นหลักฐานมีพุโทโธเป็นที่พึ่งมีพุโทโธเป็นอารมณ์ของจิตเมื่อคลาใดจิตของเรานึกถึงพุโทโธมีสติคลานั้นจิตของเราจะ เพิ่มพูนสมาธิอยู่ทุกขณะจนรวมตัวกันเป็นหนึ่งเป็นเอก ข, ขะตารมแต่ในขณะต้นๆถึงแม้จะยังไม่รวมตัวเป็นสมาธิแต่ก็เดินทางเข้าสู่จุดมุ่งหมายของสมาธิจนฝ่ายจิตของเราจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเกิดความปรากฏรู้สึกขึ้นกับในใจของตนเองเช่น ถ้าหากว่าทำฟ้าสงบเกิดขึ้นด้วยคณิกะสมาธิความจริงคณิกะสมาธินี้มีอยู่เรื่อยมีอยู่อย่างต่อเนื่องกันหรือมีอยู่อย่างไม่ยากนักแม้ที่ท่านกำลังฟังธรรมนี้ตั้งจิตตั้งใจจดจ่ออยู่ในขณะฟังธรรมอย่างเดียวจิตก็คือคณิกะสมาธินั่นเองถ้าหากว่าเรารักษา อารมณ์ของขณิกะสมาธิไม่เผลอน า, นานเข้าจิตก็ประนีตมากเข้ามาเข้าจนเกิดความสัมผัสรู้สึกทางจิตให้เห็นว่าต่างจากเมื่อโอกาสก่อนเวลาเราทำการงานอยู่ทางบ้านหรืออื่นๆหรือจิตใดอย่างใดยังก็ตามจิตของเราไม่ได้อยู่ในวาระใกล้กับสมาธิเหมือนเมื่อเราตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุโทโธพุทโธอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเรานึกถึงผู้โทรอยู่ตราบใดถ้ามีสติอยู่ถึงแม้ยังไม่สงบเต็มที่<ม>ก็ชื่อว่าจิตของเราเข้าสู่วงจรแห่งความสมาธิแล้วเพียงแต่ยังอ่อนและยังเบาเท่านั้นเองสมาธิระ<ม>เบื้องต้นนี้ท่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะรู้สึกตนเองว่ามีจิตเป็นสมาธิเพราะว่า ยังไม่ห่างไกลกับจิตสามัญ่อเมื่อเมื่อเกิดมีความสงบจนสนิทของจิตแล้วจะรู้ตามความเป็นจริงจะเกิดความทัมผัสในความสงบที่ร่มเย็นมีความสุกกายมีความสบายใจมีจิตเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์อันเดียวซึ่งอาจจะไม่เคยพบมาก่อนถ้าผู้ใดพบได้ในครั้งแรก ก็จะเกิดปิติเกิดความยินดีและรู้สึกว่าจะไม่อยากจะให้จิตของตนอยู่กับอารมณ์เช่นนั้นอยู่นานๆหรืออยู่เรื่อยไปเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าผู้ใดบำเพ็ญแล้วจิตเข้าสู่สมาธิแม้แต่คณิกะธรมาธิในความอุ่นใจในความสงบใจพึงมีสติตั้งจิตไว้เป็นกลาง อย่าปล่อยให้ความยินดีครอบงำมากเกินไปแนะอย่ามีความยิน้ลยแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อจิตถอยออกจากความสงบทำจิตของตนให้เป็นกลางไว้เพราะจิตเป็นกลางนั้นมั่นคงดีแล้วก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายการเข้าสู่ความสงบแล้วถึงแม้จะอยู่ไม่ได้นานก็มันฝึกไว้บ่อยๆ เรียกว่าได้รับรถของสมาธิในเบื้องต้นจนทำให้เกิดความแน่วแน่ต่อไปเมื่อพยายามปฏิบัติไปมากๆไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดมีพุโทโธเป็นที่พึ่งมีพุโทโธเป็นสรณะมีพุโทโธเป็นที่รึกตั้งอยู่ในพุโทโธในอารมณ์อันหนึ่งถึงแม้ว่าเราภาวนาไป จิตยังไม่สงบเป็นสมาธิมากมากก็ไม่เป็นไรก็ทำให้จิตของเรามีพุโทโธอยู่แล้วจิตจะไม่ต่ำตกไปฝ่าพุโทโธยังไงยังไงก็ให้จิตของเราค้างอยู่กับพุโทโธเป็นที่ตั้งถึงยังไม่มีความสงบพื่นก็ให้อยู่กับพุโทโธเป็นพื้นจิตล้วนแล้วแต่เป็นกุศลทั้งสิน้นฝึกไว้ให้บ่อยฝึกไว้ให้มากๆ แม้เวลาที่ขับขันชีวิตของเราในที่สุดเมื่ออายุมากแล้วจะล่วงลรยไปจิตก็จะเกิดความชำนานในพุโทโธอยู่กับพุโทโธโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นหรือความชราไม่สามารถช่วยเหลือเราเองอย่างอื่นได้แต่จิตเมื่ออยู่กับพุโทโธแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความดีงามคือมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าตรีระร่างกายนั้น อย่าไปพึ่งหวังมากเกินไปเพราะต้องแก่ลงทุกวันเมื่อแก่ลงทุกวันก็ใกล้ความเจ็บขึ้นความเจ็บก็ง่ายขึ้นความเจ็บก็เกิดขึ้นหลายๆอย่างก็มีได้อื่นๆ อ, อ, อีกด้วยและเมื่อความเจ็บที่ถูกเกิดขึ้นแล้วถึงแม้จะถูกได้รับการเยียวยารักษาอย่างใดก็าตามเป็นแต่เพียงระงับไว้เท่านั้นเองหรือเป็นแต่เพียงห้ามไว้ เท่านั้นเองในวันหน้าก็เกิดขึ้นอีกไม่เกิดอย่างเดิมก็เกิดขึ้นอย่างใหม่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในตรีระร่างกายของเรานี้เป็นขุมของโลกต่างๆที่คอจดคอยจ้องเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะที่จะเกิดขึ้นมาในยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จากผมขนเล็บฟันหนังจากสิ่งต่างๆที่เราสรวกันอยู่ทุกทุกวันในอาการ32 ย่อมเกิดโรคภัยไข้เจ็บด้วยการได้ทั้งทิ้นไม่ว่าเวลาใดขณะใดยิ่งมีอายุมากขึ้นความอ่อนแอของร่างกายความที่ใจขปามที่กายของเรานี้อยู่ในสภาพขาลงคือขาเสื่อมโรคภัยไข้เจ็บก็รวมกันมาเป็นที่อยู่ที่อาศัยมากขึ้นจนในที่ทุดก็อยู่ไม่ได้ ดังที่เราเห็นการอยู่โดยทั่วๆไปคนทั้งหลายเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ละวัดมีเมนสำหรับเผาคนอย่างเดียวแต่ละวัดนั้นไม่ค่อยจะว่างจากการเผาคนเพิงแสดงเห็นว่าชนคนทั้งหลายที่เกิดมาแล้วนี้รู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้า ง, กกางตายการอยู่ทุกวัน ไม่มีที่จะหยุดยั้งในสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้น้อมระ ล, ลึกถึงความจริงในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้จิตใจของเรามั่นคงอยู่กับพู้โทไว้เป็นอารมณ์ให้หนักแน่นอยู่กับพูทโทดังในกามาแล้วในเบื้องตน้นและทำเรื่อยๆไปทำจนมีสติมั่นคงความสงบนั้นจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเราเพียงเป็นผู้ดาเนินจิต โดยการภาวนาเหมือนการเดินทางเมื่อภาวนาไปจิตก็ใกล้พุโทโธเข้าไปเหมือนกับเราเดินทางไปที่จะไปทินใดหนึ่งก็ใกล้เข้าไปจนถึงเวลาใดถึงที่นั่นก็จะเป็นที่พึงที่พักที่ดังประสงค์ที่เราจะไปฉันใดจิตของเราก็เหมือนกันมีพุโทโธเป็นที่รักษาเป็นที่เดินทางจิตใจของตนเอง จนบริบูรณ์ดีแล้วก็ถึงซึ่งมุ่งหมายคือความสงบความสงบพี่ได้จากพุโทโธมาเป็นอารมณ์ก็เพราะมีสติตั้งมั่นดังที่เราปฏิบัติอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นในคราวใดจิตยังไม่สงบก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวทางจิตใจว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยบ้าง เรสิ่งทั้งปวงเป็นอยู่อย่างนี้เองเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้เองทําเรื่อยๆไปยิ่งถ้ายิงทำก็ยิ่งใกลย้ยิ่งทําก็ยิ่งเพิ่มพูนยิ่งทําก็ยิ่งจะถึงซึ่งที่แห่งความสงบนั้นนี่เป็นหลักที่สาคัญที่จะต้องฝึกฝนตนเองความฝึกฝนตนเองในข้อนี้ผู้อื่นก็ช่วยไม่ได้ต้องอาศัยความภาคเพียรความ พ, พยายามของตนอันหนึ่ง <c oughs> สภาพของจิตของบุคคลไม่เหมือนกันบางคนตั้งอารมณ์พุโทโธเพื่อให้เป็นหนึ่งแต่ทาไม่ยาก <c oughs> ก็ต้องไปหาอีกอุบายอีกอย่างหนึ่งคือพิจารณากายให้เห็นเป็นแทกว่าสรีระร่างกายของเรานี้เป็นที่รวมของท่าสี่คือดินน้ำไฟลมและท่าทั้งสี่ก็ไม่ใช่เป็นของที่มั่นคง เป็นไปเพื่อความแปรปวนคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอต้องเสื่อมไปอยู่เสมอไม่ตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อท่าซึ่งเป็นแกนหลักของชีวิตของร่างกายเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความโทมดังในกล่าวมาแล้วนั่นธรี ร, ร่างกานี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นร่างกานี้เป็นแต่เพียงเพื่ออาศัย เราเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเพียงอาศัยร่างกายนี้ไว้ดำรงชีพอยู่ถ้าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดก็อาศัยความที่มีการนี้ให้เป็นพิเศษคืออบรมกายวาจาใจของตนให้มีทานศีลภาวนาอบรมให้ยิ่งขึ้นประเสริญยิ่งขึ้นคือใช้โอกาสนี้บาเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้น เหมือนเรามีบ้านอยู่บ้านของเราแม้จะทำมั่นคงเพียงใดก็ตามแต่ในสุดก็ค่อยๆเสื่อมไปสลายไปและเราก็อยู่ในบ้านนั้นไม่ได้ชั้นใดกายที่เราอยู่ในที่นี้ก็เหมือนกันวันหนึ่งเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ต้องจากไปแต่ถ้าหากว่าจะจากไปนั้นจิตของเรามีพุโทโธเราก็ไปสู่บ้านใหม่คือสุคติ จิตของเราว่าเวไม่มีพุโทโธก็ไปตามอำนาจของกรรมลักษณะเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่มีความไม่มีความมั่นใจในสิ่งใดได้เพราะฉะนั้นเมื่ อ, อยังมีกําลังอยู่มีความสามารถอยู่สร้างพื้นฐานพุโทโธนี้ให้เกิดให้มั่นคงไว้ในใจของเราเป็นดีที่สุดแล้วก็ค่อยๆภาวนาไปจนจิตใจเข้าถึงความสงบอีกขั้นหนึ่งก็ยิ่งประเสริญยิ่งขึ้น พระพุทธเจ้าดังในกาสมาแล้วกว่าพระองค์ที่จะได้เป็นพระศ า, าสดาไม่ได้เป็นในขั้นตอนนั้นเดียวต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาประการจนฝ่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธิยานและเมื่อเด็กพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงมีเมตตามหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นได้แนะนําสั่งสอนสรระสัตว์ทั้งหลายให้ทั้งอยู่ในความดีบ้าง ให้เพื่อเป็นเพื่ อ, อความพ้นทุกข์บ้างเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้น <c oughs> การเจริญจิตภาวนาที่เป็นทางให้ความพ้นทุกข์ในเบื้องตน้นคือให้จิตเข้าสู่สมาธินั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราโดยแท้ที่จะต้องปฏิบัติตนเองพระศ า, าสดาเป็นแต่เพียงผู้บอกดังที่พระองค์ตรัสไว้บ่อยๆว่าต ถ, ถาคตเป็นผู้บอก ตถาคตเป็นผู้ชี้ทางใครจะไปถึงดังที่มุ่งหมายได้ต้องผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติเองนี่เป็นหลักการที่สำคัญเพราะฉะนั้นพุโทโธเป็นหลักพุโทโธเป็นที่ตั้งพุโทโธเป็นที่พึ่งพุโทโธเป็นคำภาวนาเป็นหลักของจิตพึงพยายามฝึกฝนให้บ่อยในคราวใดตั้งใจนในขณสงบไม่สงบก็เปลี่ยนแปลง เ, เป็นการ ใช้ปัญญาพิจารณาดังในกล่าวมาแล้วว่าให้เห็นเป็นธาตุเป็นขันเป็นส่วนต่างๆมาประกอบกันและสิ่งเหล่านั้นก็จ้องผุไปสลายไปพังไปเช่นเดียวกับบ้านดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างแล้วเพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปพึงตั้งใจสั้รวมจิตใจของตนเองให้มั่นคงปล่อยวางอารมณ์อื่นทั้งหมดให้พึงเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลาย ที่เราไปนึกถึงสิ่งต่างๆก็ดีที่บุคคลก็ดีเป็นแต่เพียงสิ่งที่ได้ผ่านเท่านั้นเองสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงของเราไม่เหมือนกับการนึกถึงพุโทโธพุโทโธเป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าดังนั้นพึงชราระจิตของตนให้เกิดความของแผ้วปราศจากเครื่องสมอง พึงใช้ปัญญาดูเองว่าขณะนี้จิตของเรามีความหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในอกุศลข้อใดหรือไม่ในกามฉันในพยาบาทในถีนามิธาความท้อถอยในอุเทจะความพุ่งสร้างหรือในวิจิตจฉาอันใดพึงแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้จิตของเราเป็นกลางในขณะที่นิวรณข้อใดข้อหนึ่ง เข้าครอบงามจิตใจนั้นจิตใจของเราไม่เป็นกลางจิตใจของเรามัวหมองโอนไปตามโอนไปตามอารมณ์ที่เกิดกิเลสนั้นซึ่งมีในพระธรรมดูบทหนึ่งท่านแตแดงไว้ว่าจิตของบุคคลนั้นถ้าหากว่าไม่มีอารมณ์ที่เป็นธรรมเครื่องเศร้ามองเข้าครอบงามจิตใจ เช่นตาเห็นรูปก็ถูกก็ถูกความพอใจฉุดไปเห็นรูปแล้วชอบใจก็ถูกความพอใจฉุดไปถ้าหาวเห็นรูปแล้วไม่ชอบใจก็เกิดความอึดอัดขยะขยแยงใจฉุดไปหูในฟังเสียงแล้วที่ชอบใจเสียงที่ชอบใจก็ถูกความชอบใจฉุดไป ถ้าฟังเสียงแล้วไม่ชอบใจก็เกิดความไม่พอใจ อ, อึดอัดและขยะขยแยงใจฉุดไปจมูกได้กลิ่นแล้วหอมชอบใจก็ถูกความชอบใจดึงไปถ้าหากว่าได้กิ่นแล้วไม่ชอบใจก็ูเกิดความ อ, อึดอัดและขยะขแยงฉุดจิตใจของเราไปลิ้นได้รับรสแล้วพอใจ ก็ถูกความพอใจที่รถได้รับรินนั้นดึงไปฉุดไปถ้าหากว่ารถที่ไม่ถูกใจก็จะเกิดทําให้เกิดความอึดอัดใจไม่พอใจขยะแขยงใจถ้ากายทั้งผัดแล้วเกิดความชอบใจในความผัดของกายนั้นก็ถูกความชอบใจการทั้ผัดดึงไปถ้าไม่ชอบใจก็ถูกความไม่ที่ไม่ทัมผัดไม่ชอบใจนั้นอึดอัดทางจิตใจ ถูกความขยะแยงเกิดขึ้นในใจแต่หลออจนอารมณ์ทั้งปวงที่ถูกใจก็ชอบใจถูกความหมกมุ่นดึงไปในอารมณ์อ น, นั้นถ้าไม่ชอบใจก็จะเกลียดชังและไม่พึงพอใจในอารมณ์นั้นแต่แดงให้เห็นได้ว่าจิตใจของคนคนเรานั้นวันไหวอยู่เสมอไม่เคยอยู่ในความเที่ยงตรง อยู่ในคางทางของอัคติตลอดมาคือความชอบใจและความไม่ชอบใจเป็นตัวโยกเป็นตัวสั่นคลอนเป็นตัวทำให้จิตใจหวันไหวไม่เป็นนิสเมื่อเรารู้เราเห็นสภาพจิตในความเป็นอย่างนี้แลพยายามประคองจิตของตนอยู่ตรงกลางและอบรมไว้ด้วยพุทโธนั่นเองดังกล่าวมาก็เพื่อจะฝึกหัด และอบรมจิตของเราเองให้เกิดความตั้งมั่นดังนั้ น, น, นต่อ น, นี้ไปจงตั้งใจระวังใจของตนอย่าให้ถึงได้ฉุดไปให้อยู่ตรงกลางแล้วตั้งใจนึกถึง พ, พระพุทธเจ้าให้ดีงามภาวนาไว้ในใจว่าพุทโธพุทโธดี๋ยความมีสติเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นพื้นฐานแห่งความสงบที่ดีงามตามคำสอนของภาษาชดาต่อไป